เรื่องการหลักการขโมยแต่หากไม่มีไม่ทิดชินหรอกแต่หากทิรทมการที่ไปสูบกินลีนลดโลผภะของภายนอกเรียกว่า ไปขโมยของเขามาอาเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าไปขโมยของเขงของเขามายัางไงตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวแต่ตัวแต่คนเราแต่เรานะ่ไปขโมยของเขามาเนี่ยเรียกว่าขโมยไม่มีไม่ผิดจิตแต่ผิดธรรม เช่นตาเห็นรูปไปหลงรักหลงเกลียดหลงรักรูปของเขาก็ได้ช่อไปสม oi ของเขามาเอามาชมมาชอบมารักไปเ ก, ปเก ล, ลียดไปโกรธรูปของเขาที่มันคิเลกีิร้ายมันไม่ดีไม่งาม นั่นก็เรียกออกไปขโมยของเขามาโดยเขาไม่รู้สึกตัวเลยหูได้ยินเสียงพอก็อไปขโมยของเขามาชอบมารักไางยินดีมาชมเชย nh nh ยกยอเสนอเสียงไม่ดี เอาไปขโมยของเขามาดีและไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องถึงเรื่องเราแต่เราไปยึดไปถือนำมาเป็นของเรานั้นเรียกว่าขาโมยของเขามา กินหอมหวนทึงดอกไม้ก็ดีเรื่องน้ำอบน้ำหอมก็ดีกินอะไรทั้งหมดนะพัดเข้ามาม่ถูกจมูกของเราพอแล้วไปชอบไปรักไม่ไปกินไม่ดีก็ไปเกลียดไปโกเหม็นไม่ชอบใจ ตอนนี้แหละล้ว น, วน แ, วแต่เป็นขโมยของเขางั้นทำยังไงเราจะเป็นขโมยจะไม่เป็นขโมยแ้วคาะนี่เราเห็นรูปรูปที่เป็นของเกิดมีอยื่อย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมาโดยสภาพของมันไม่มีใครปรุงแต่งหรอ มันตั้งแต่งของมันเองเกิดเป็นรูปขึ้นมารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอยียดไม่มีใครแต่งมันเลยมันถ้าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็สลายดับไปไม่มีใครแตงเหล่านั้น มันเกิดจะมาตั้งอยู่ทลายดับไปไม่ใช่แต่งกับคนเดียวเมื่อเราไปเห็นกาแล้วถ้าชอบถ้าสวยสดงดงามก็รักก็อชอบงามแลม้วไหมงามแล้วเป็นความเห็นของเราตัางหากแต่ที่จิงลูกนะั้นไม่ได้ว่าเลยเราหรอ มันหัดเจนอยู่อย่างนั้นของมันตามสภาพของมันเกิดจากดินน้ำไฟลมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งอยู่ชั่วคู่หนึ่งขณาหนึ่งแล้วก็สลายดับสูญไปเราเนี่ยทีไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกสรภาพไปทุกอย่าง ถ้าชอบก็นึกในทางที่ดีชอบปรุงแต่งในทางที่ดีถ้าไม่ชอบก็ปรุงแต่งในทางที่ชั่วจะเป็นเรื่องเป็นอาอาราวไงตรงทางเราปรุงคนเดียเราแต่งคนเดียวนี่ได้จึงว่าขโมยเสียงก็เช่นั้นเหมือนกันกลิ่นรสโปรตพาก็เช่นั้นเหมือนกัน ถ้างั้นเลยคนในโลกนี้จะเป็นคนดีได้ไงมันก็ไม่ดีเย็นสิเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นันเดีกขโมยเดวยกันนั่นเห็นขโมยด้วยกันทั้งหมดท่านผู้วิเศษท่านดีแล้วท่านไม่ขโมยหรอกเมื่อเห็นรูปพรากดขึ้นมา ท่านเห็นคมเกิดคมดับของมันคมตั้งอยู่ดับไปของมันจะไปขโมยอะไรนั่นของมอ ไ, มไม่มเที่ยงไปสโมยทําไมท่าสี น, น้าไปลงไปขโมยทําไมขโมยมาทําไมท่าสี น, น้าไปลงมันไม่เใ็บของเราท่านมีสติรู้เท่ารู้เรื่องอยู่พิจารณาเหตุการณจริง เลยไม่ไปขโมยของเขาแต่ของเรานั่นจะมีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ไม่รู้ยังไงของอายตนะมีอยู่พัฒน์ก็ต้องภากดอยู่นั้นรูปเสียงกินแล้วกตะพระเ็นอยู่อย่างนั้นจะไหนจะได้มาคนไหนมาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีถึงท่า น, นีิเศษแล้ว ก็ต้องมีเช่นนั้นเหมือนกันอริยสงสาวอกหรือพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าไม่มีจะพูดถูกหรือจะทำถูกหรือท่านรู้จักท่านจะทำถูกท่านพูดถูกแต่ท่านรู้จักตัวของท่าน รู้จักตัวตนของท่านแล้วจะรู้จักตัวตนของบุคคลอื่นอีกด้วยเรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตน ร, รู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนรู้จักบริษัทสับบริษัทธรรมนีเจ็ดอยา่าง ผู้ที่เป็นเช่นนั้นผู้เห็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าบัณฑิตสัพพีสสะคือบัณฑิตนั่นเองถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวทาไมไม่รู้จักตัวไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักการไม่รู้จักประมาณแล้วก็ทําไม่ถูกเหมือนกัน ท่านทำให้ถูกต้องตามกาลเทศะจึงเรียกว่าพัฒนามีอยู่รู้สึกอยู่ความรู้สึก น, นั่นน่ะแต่ไม่เป็นเหตุให้กับเถือนในท่านหวั่นไหวคำนี้มันพูดยากหน่อย รู้อยู่แต่ว่าไม่วันไหว ม, มันยากถ้าะอะไรเราแคตตัวอย่างอย่างง่ายๆเอาเห็น ง, ง่ายๆนี่แหละเราดูหนังสือหนังสือที่ชอบใจติดติดูหนังสือในติดกับหนังสือนั้นแม่แต่ใครจะมาเรียกก็เลยไม่ได้ยิน พะอเรเจ้าทั้งหลายต้องเหมือนกันได้ยินเนี่ยนะแต่มันไม่เอาใจใส่ไม่ใช่ไม่ได้ยินมันไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนั้นเรถือว่าไม่ได้ยินเสียท่านเห็นลูกเสียงกลิ่นรสโถทอดภ ท, ภท่านก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นไในยินได้ฟังอยู่แต่ไม่ใช่แต่ว่า จิตไม่ได้พะวงเกี่ยวข้องังเรื่องอะนั้นท่านอย่างคนเป็นขโมยได้คนจากโทษต้งนั้นศีนกลก็เลยไม่ผิดธรรมก็เลยไม่ผิดก็ะยู่เหนือโลกมันอะไรสิมันทำรรมาก เป็นของอย่างนี้ผู้เห็นธรรมะและต้องเห็นอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าบัณฑิตธรรมะคำสอนอภัยกรรมสอนหลายอย่างนี่หลายในสอนทั้งเห็นสอนทั้งทำบางอย่างก็สอนเห็นทำเห็นกับทำกลงลงกันได้แต่บางอย่างเห็นกับทำเป็นคนละเรื่องกัน จังอันนี้เป็นตนอย่างที่ว่านี้เป็นตนถ้าใจเป็นขโมยอย่างนั้นแล้วของภายนอกมันจะเป็นไม่เป็นยังไงไรมันต้องขโมยดีๆอย่างเนี่ยเพราะนั่นเป็นเริ่มตนขโมยใไหนแค่ก่อนเขาไม่รู้ตัวเราขโมยอย่างนั้นทำไม่มีใครรู้หรอกมันเกิดจากใจ ธรรมะธรรมสององคเจ้าจึงเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากอันอื่นนึ่งกายเกิดจากใจทแท้ๆคนไหนเห็นใจตนเองแล้วคนนั่นจะเห็นตัวขโมยถ้าไม่เห็นใจแล้วก็หมดเรื่องจะฝึกหัดปฏิบัติง่งยก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องเลยทำทั้งหลายมาเกิดจากใจ มีใจเป็นใหญ่ถึงก่อนมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจพูดถึงเรื่องใจอันเดียวพุทธศาสนานี่พูดถึงเรื่องใจแล้วก็มดเรื่องนั่นะตัวตนเขาเขาของพุทธศาสนานคือตัวใจนั่นถ้ายังไม่เห็นใจยังไม่ทันรู้จักตนเข้าของพุทธศาสนานไม่จักบอกเกิดของพุทธศาสนามา เรานั่งดูตัวมหาโจรมันจะขโมยไปตรงไห น, นมันจะคอยวิ่งออกไปตรงไห น, นเรากำนดเข้าไปให้มันอยู่แล้วมันจะเห็นนการที่มันวิ่งออกไปเราถ้าหากไม่เห็นตัวผู้อยู่ก่อนมันไม่เห็นตัวผู้วิ่ง ตัวผู้อยู่คือใจไม่มีอะไรใจไม่คิดมีแต่รู้สึกสตบุญไม่นึกคิดไม่ไม่คิดไม่ตรุงไม่แต่งเพราะนั้นตัวใจตัวใจเดิมแท้ น, นจิตต่งกัพัดสร่างใจทั้งก็เรียกจิตทั้งก็เลียกแต่จะมาพูดใจอย่างนี้จิตอย่างนี้ใจนั่นคือตัวรู้สึกที่เฉย แต่ไม่จิดไม่เนกไม่สูงไม่แต่งท่ น, นั้นเรียกว่าตัวตัวใจคือมันใจึือของกลางกลางนั่นแหละอะไรกลางกลางเรียกว่าใจมดทุกอย่างใจมือใจเท้าอะไรต่างๆของตรงกลางเรียกใจคนก็ชี้เข้ามาที่หัวใจเลาการที่มันวิ่งออกไปไเรียกว่าจิต ไปปรุงไปแต่ง น, น่าเรียกว่าจิตอาจารย์มาพูดทีเดียวนี้ก็พูดถึงเรื่องนั้นนะที่มันวิ่งออกไปนะ่ะมันเป็นขโมยมันคอยที่จะไปชกไปทิอาโน่นนู้นอะไรต่างๆตัว ม, มันวิ่งออกไปนั่นนะใจตัวนี้ใครก็พูดถึงใจอยู่เสมอเสียใจดีใจ เจ็บใจญ่อะไรต่างร้อนใหญ่พูดไวในจิตในใจแต่พูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นแต่ไม่เห็นใจจิตต่างกับพระสารังท่านบอกว่าจิตเป็นของทองใสอยู่เป็นนิสอากันทุกเจงจิเรเจหิกิเลตอันนั้นแหละมันจอดมา มันมันแทรกซึมเข้ามาในจิตนั่นแหละเป็นกิเลสทําให้ใจเศร้าหมองทําให้จิตเศร้าหมองทันว่างนันอารมณ์มันที่มันจอนเข้ามานั่นแทรกซึมเข้ามาที่เรียกอาตมาที่เรียกว่าขโมยในที่เนี้มันเป็นกิเลสเราจึงต้องพุทหัด ตัวจิตนี้แหละกำหนดตัวจิตตัวนี้แหละกำหนดสติลงที่ตัวจิตเมื่อกำหนดเห็นจิตอยู่แล้วมันจะหายไปเรื่องเลอหายไปหมดแล้วมันจะรวมข้อเป็นใจที่หนึ่ง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมเข้ามาหรอกแต่มันรวมเข้ามาเองธรรมะของเดิมแท้นั้นเรื่องของไม่ปรุงก็แจ่งแต่ธรรมชาติเป็นอีกอย่างนั้นที่เรียกว่าใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติาเลยเมื่อเข้ามาเป็นใจแล้วจะอยู่พักหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปอีก มันเป็นขโมยหาหลกหาขโมยโน่นนี่แล้วต่างร้อยแต่ท่านเรียกหลายอย่างลิงท่านก็เรียกลิงซื่งมันไม่อยู่นิ่งจิตนี้เป็นของวุ่นวายจิตนี้เป็นของกระซับกระส่ใสมาอยู่คงที่จิตนั้น เป็นของเดือดร้อนตลอดเวลาถ้าหากว่าเข้าถึงใจแล้วขานี้มันวุ่นวายออกไปทีหลังแตกเก่าและขานนี้มันไม่เปลียนอย่างนั้นแหละมันจะเย็นมันจะสงบมันเป็นอานาปานอาการของใจต้องเปลีนยนอย่างหนึ่งแต่อาการของจิตต้องเปลี่ยนอย่างนั้น แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ใจเดือดร้อนหุ่นวายได้มันออกไปที่หลังมันไปปรุงไปแต่งอะไรต่างมันเป็นตัวปัญญยาให้เกิดความรูปความเจริญวางอย่างขึ้นมาได้ตอนนี้แหละจะอ้อ ก, ก็ตอนนี้แหละ มันถึงบางอ้อ ก, ก็บบางอ้อ ก, กับตอนนี้แหะมันเกิดคนรู้คนฉลาดขึ้นมาไม่เหมือนเก่าขอที่รู้มาแต่ก่อนแต่เก่าแต่มารู้คราวนี้มันไม่เหมือนเก่าแล้วตอนนี้มันแปลกเก่าสุเดียวอนนั้นมันต้องรู้ด้วยตนเองมันพูดไปถูกหรอกของไปแต่ขอให้ทําเถอะการที่จะทําให้ถึงใจแน่นต้อง ตั้งสติกำนดจิตนี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้ทันมันมันรวมมาเป็นใจสติก็เลยเป็นใจอันเดียวกันสติหนึ่งสติจิหนึ่งใจหนึ่งสามอย่างเท่ากันม็นเป็นอันเดียวกันกั